สำหรับบทสวดภาษาไทยที่ผมอัดเสียงไว้นะครับก็อยากให้มองว่าคนเรามีหลากหลายปัญญาความเพียรไม่เท่ากันนะครับเด็กอนุบาลจะให้ไปวิ่งแข่งกับเด็กม .6 ก็คงทําไม่ได้จะให้เด็กอนุบาลไปขับเครื่องบินก็คงทําไม่ได้ศา ส, สนาเราทุกวันเนี้ส่วนหนึ่งที่ยังไปไม่ถึงไหนยังเข้าไม่ถึงวัยรุ่นและคนทั่วไปก็เพราะพยายามจะให้เด็กอนุบาลไปขับเครื่องบิน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 ในทุกสิ่งก็ต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนแต่ละยุคเราเปลี่ยนแค่วิธีการแต่ความหมายเท่านั้นที่ยังคงเดิมแลวไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนนะครับประโยชน์มันมีเสมอหากจะมองให้เห็นยกเว้นแต่ว่าจะติดรูปแบบติดพิธีการอนุรักษ์นิยมสุดโต่งกันจนไม่รู้เลยว่าโลกมันไปถึงไหนแล้ว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 มันแตกต่างกันอย่างไรการที่ร่างกายจะทำงานได้เต็มที่ตามคุณสมบัติมหัศจรรย์ญญของเขาที่เป็นอยู่เขาต้องเชื่อจริงๆเชื่อเข้าไปถึงจิต s. <S ใต้สำนึกหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเรียกว่าจิตอิสระซึ่งอยู่ภายใ น, ใน <gaat S 1> เป็นสิ่งที่แยกออกมาต่างหากมีอิทธิฤทธิควบคุมบังคับร่างกายนี้ท่านยังสอนวิธีสกดจิตตัวเองนะครับ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 การเจริญสติเท่านั้นนี่คือทางออกจากทุกทางสายเอกที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้ให้พวกเรานะครับแต่น้อยคนนักจะได้สัมผัสได้รู้จักและเห็นผล